อยู่มาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายพากันกล่าวเรื่องนั้นในโรงธรรมสภาพระาศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรหนอภิกษุเหล่านั้นพากันกราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบ พ, พระาศาสดาตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระจีวรวัฏกะผู้อยู่ในพระเชตวันได้ล่อลวงภิกษุอื่นในบัดนี้เท่านั้นก็หามิได้ แม้ในการก่อนก็ล่อลวงมาแล้วเหมือนกันฝ่ายพระจีวรวัฏกะบ้านนอกได้หลอกพัจจีวรวัฏกะผู้อยู่ในพระเชตวันรูปนี้ในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่ได้แม้ในการก่อนก็ได้มีการหลอกมาแล้วเหมือนกันโอพระเจ้าบอกว่าเนี่ยพัจจีวรูเออพระจีวรวัฏกะที่อยู่ในพระเชตวันเนี่ยหลอกเพื่อนพระเดียกันเนี่ยนะ เนี่ยหลอกมาแล้วชาติก่อนก่อนนู้นก็หลอกมาแล้วนะเหมือนกับจีวอนวัฒกะบ้านนอกมาหลอกจีวอวัฒกะในกรุงนี่เหมือนกันเนี่ยชาติก่อนก็หลอกมาแล้วพูดง่ายๆว่าประวัติศาสตร์ซ้ำรอยนะพูดง่ายๆคือประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอาตมาบอกแล้วพวกเราต้องระวังด้วยนะพวกเราเองเนี่ยอย่ายให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอย่ายให้โจรมันมาหลอกเราได้อะไรคือโจรกิเลสคือโจร นะนะกิเลสคือโจรโจรหลอกโจรกิเลสมาหลอกอะไรออกิเลสมันหลอกให้กิเลสหลงนะกิเลสเก่าเออกิเลสใหม่มาหลอกกิเลสเก่านะเสร็จเสร็จกลายเป็นกิเลสกลางๆออกมาหรือเปล่ากลายเป็นกิเลสกลังสอง ระวังมันจะซ้ารอยอย่างเงี้ยเราต้องระวังอาจมาก็พูดแล้วโดยเฉพาะนะเรื่องของอสักกายะเรื่องที่เป็นตัวใหญ่เป็นตัวที่เราเนี่ยจะพ่ายแพ้อยู่เรื่อยเป็นตัวที่เราเนี่ยอะไรอะ่ะสู้มันไม่ค่อยไหวนะไอ้ตัวนี้แหละแล้วเป็นตัวที่จะทําให้เราตกลงจะเป็นตัวที่ทําให้เราตายด้วยนะ ไอ้กิเลสตัวพวกเนี้ยที่เป็นศักยะเนี่ยต้องระวังมากๆนะพยายามอย่าให้มันซ้ำรอยต้องสู้กับมันให้มันเรียกว่าอะไรอะ่ะให้มันลดลงให้มันบรรเทาลงให้มันบางลงให้ได้จริงเราอาจจะไม่ชนะมันครั้งเดียวประสบความสําเร็จเลยนอกมันได้แล้วอาจจะไม่สามารถชนะอย่างนั้นนะแต่อย่างน้อยต้องชกเก็บคะแนนให้ได้นะคืออย่างน้อ ย, นอยเนี่ยก็แหมมีแพ้มีชนะมีอะไรเงี้ยไปเรื่อย เก็บคะแนนไปเรื่อยจริงมันยังมีอยู่ในตัวเราแต่เราก็ค่อยๆสามารถทำให้มันลดลงได้จะต้องให้เป็นอย่างนี้สักยะตัวนั้นมันถึงจะเลิกเป็นสักยะของเราเลิกเป็นตัวที่มันจะมาทำร้ายเราให้ตกล่วงไปได้จะต้องเป็นอย่างนันน่นเราถึงจะกิเลสเบาบางลงอันนี้พอผู้เจ้าท่านตัดมาอย่างนี้แล้วท่านก็บอกว่าแล้วทรงนาอดีตนิทานดังต่อไปนี้ มาเล่าให้ฟังกันนะเอาแล้วนะคราวนี้จะเริ่มพระกัจฉาดกในอดีตการปรากฏมีลุกคเทวดาอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่ซึ่งตั้งอาศัยสะปะทุมแห่งหนึ่งอยู่ในราวป่าในการนั้นเมื่อถึงคราวฤดูร้อนน้ำในสะอีกแห่งหนึ่งซึ่งซึ่งไม่ใหญ่นักได้ลดน้อยลงแต่ในสะนั้น มีปลาเป็นอันมากอาศัยอยู่เอานะฟังให้ทันนะเริ่มเรื่องนี่มีสระใหญ่เป็นสะระปุมก็คือสระบัวนะสระใหญ่มากแล้วก็มีบัวเนี่ยเต็มแต่ใกล้ๆเนี่ยมีอีกสระหนึ่งแต่เป็นสระน้อยแล้ว เ, เป็นสระเล็กสระเล็กเนี่ยพอเวลาถึงฤดูร้อนนี่น้ามันน้อยน้ามันชักจะเริ่มแห้งลง ในสระนี้มีปลาอยู่เยอะด้วยครั้งนั้นมีนกยางตัวหนึ่งเห็นปลาทั้งหลายแล้วคิดว่าเราน่าจะหลอกกินปลาเหล่านี้ด้วยอูบายสักอย่างจึงไปนั่งคิดอยู่ที่ชายน้ำนะ น, นกกระยางเนี่ยอยู่ใกล้กับสระเล็กนี่นะก็คิดอยู่ว่าเออไปนั่งคิดอยู่ ไอ้ยืนคิดมัง้งนกย่างมันคงไม่นั่งคิดหแล้วมยืนคิดอยู่ที่ตรงตรงไอ้ศาสเล็กเนี่ยนะกะว่าเอ๊จะหลอกกินปลาอย่างไงว้าถึงจะสําเร็จได้ขณะนั้นปลาทั้งหลายเห็นนกย่างจึงถามว่าเจ้านายท่านนั่งคิดท่านคิดถึงอะไรอยู่หรือนกยางกล่าวว่าเรากําลังนั่งคิด ถึงท่านถึงพวกท่านอยู่ป่าทั้งหลายถามว่าท่านคิดถึงพวกเราทําไมนกกระยางกล่าวว่าเรานั่งคิดถึงพวกท่านว่าน้ําในสระนี้น้อยลงที่เที่ยวก็น้อยลงแล้วความร้อนก็มีมากขึ้นพวกท่านจะทําอย่างไรนี่ตรงกับใจที่คิดเท่าไหร่ไม่ตรงเลยนะใจคิดจริงๆเอ กูจะกินมึงยังไงดีนะแต่พอเวลาปลามาถามนี่เป็นไงตอบคนละเรื่องเลยนะตอบแบบว่าเออเนี่ยน้มันจะน้อยลงนะที่ไหวก็จะไม่ค่อยมีนะอากาศก็ร้อนนะเดี๋ยวก็แย่เท่านั้นเองคิดอยู่ว่าเออจะช่วยพวกท่านยังไงดีเนี่ยให้เห็นว่าคนที่มันคนที่ชอบหลอกลวงอ่ะนะคนที่ชอบหลอกลวงเนี่ย พูดไม่ค่อยตรงกับความจริงใจเนี่ยคิดอย่างคู่อีกอย่างนะสับปรับพวกปลาคนนีพ้พอฟังนกยางพูดอย่างนี้พวกปลาจึงกล่าวว่าพวกเราจะทําอย่างไรเล่าคือคือก็ไม่รู้จะทํำยังไงเพราะปลาก็อยู่ในน้ำนะก็ต้องอาศัยน้ําก็มีแต่น้ํามันจะขึ้นน้ําจะมากหรือน้ำจะน้อยก็ต้องตามเมตถากรรมนกกยางจึงกล่าวว่าถ้าท่านทั้งหลายจะกระทําตามคําของเรา เราจะเอาจะงอยปากคาบโยกย้ายพวกท่านคราวละตัวนําไปปล่อยไว้ยังสะใหญ่ซึ่งดารดาดด้วยด้วยประทุมคือด้วยดอกบัวใกล้ๆนี้เอานำไปปล่อยยังสะใหญ่ซึ่งดารดาดด้วยประทุมห้าสีที่อยู่ใกล้ๆนี้เสนอเลยเสนอไอเดียเสนอนะโยบาย น, น, นโยบายช่วยประชาชนประชาชนปลา น, นโยบายก็คือว่ า, าพวกท่านเดือดร้อนพวกท่านทุกพวกท่านลาบากใช่ไหมน้ําก็จะน้อยอากาศก็ร้อนพวกท่านจะอยู่กันยังไงเพราะนั้นเสนอ น, น, โ น, นโยบายคือจะพาพวกท่านไปคาวละตัวคาลตั ว, ว, ตวไปปล่อยไว้ที่สะใหญ่ให้ปลาทั้งหลายยังไม่ไว้วางใจก็กล่าวว่าอาชลาดหน่อยนะ ไว้ใจได้ยังไงอ่ะแหมจะให้ใช้จะงอยปาก้าบไปทีละตัวเดี๋ยวเกิดฮุบเข้าไประวังไงนะไม่เอาไปส่งอ่ะอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพวกเราอ่ะถ้าเป็นพวกเราจะทำไงสมมติสม ม, ต, ส ม, ม, ต, ส ม, มติสมมุติตอนนี้นึกว่าตัวเองเป็นปลานะถ้านกยางพูดอย่างนี้แล้วจะทำไงฮะอะไรนะปรึกษากันดูก่อน ออเอาเข้าที่ประชุมก่อนเอ่อเข้าสภาก่อนนะให้หัวหน้าไปดูเออเข้าท่าอยู่เหมือนกันเออเออเนะใครมีความคิดอื่นอีกนะอ๋ออยู่ที่เดิมดีกว่าไม่ไออย่างงั้นกำลังคิดอะไรหรอกอยู่ที่เดิมดีกว่าอะแตอนนี้ปลาทั้งหลายใช่ไหมไม่ไว้วางใจก็เลยกล่าวว่าตั้งแต่นมนานกาเลมาแล้ว ชื่อว่านกยางผู้คิดดีต่อพวกปลาย่อมไม่มีท่านประสงค์จะกินบรรดาพวกเราทีละตัวใช่ไหมพวกเราไม่เชื่อท่านก็ฉลาดดีอยู่นะก็บอกเอ้มันไว้ใจไม่ได้อะเพราะฉะนั้นอ่ะไม่ไว้ใจอ่ะนกกระยางจึงกล่าวว่าเราจะไม่กินแน่ๆก็ถ้าพวกท่านไม่เชื่อ เราว่าสร ะ, ะน้ำใหญ่นะมีอยู่พวกท่านจงส่งปลาตัวใดตัวหนึ่งไปดูสระน้ำนั้นพร้อมกับเราสิใช่ไหมเลยเสนอมาน่าสนใจหรือเปล่าโครงการนี้น่าสนใจหมเออน่าคิดอยู่เหมือนกันนะก็ในเมื่อไม่ไม่เชื่อใจเขาใช่ไหมไม่ไว้ไม่ไว้วานใจว่าทาไมไว้ย้อนใจว่าผมจะทำได้ ไม่แม่งก็ลองเลือกผมเข้าไปก่อนสิแล้วผมจะทําให้ดู <laughs> ใช่ไหมเป็นทํานองนี้เอเขาเสนอมาอเพราะฉะนั้น อ, อย่างนี้เป็นยังไงจะรับข้อเสนอปะ่ะนะโอ้รับเลยเหรอ <laughs> เรียกว่าเลือกให้ไปเป็นสอสก่อนนะพอลองดูก่อนยังไงเขาก็ได้เป็นไปแล้วอะ่ะ <laughs> ถ้าไม่ดีปีหน้าไม่เลือกมันปีหน้าจริงหรือเปล่าหรอจริงๆมันสี่ปีนะถ้าครบเทอมอะ ะนะพอดียุคนี้ก็เป็นยุคเลือกเลือกสอสพอดีอันนี้ปลาทั้งหลายปรึกษากันแล้วจริงซะด้วยนะปลาก็ไม่โงงกันแลก็ปรึกษากันคิดว่าจะส่งปลาตัวที่ฉลาดอีกจะส่งปลาตัวที่สามารถทั้งทางน้ำและทางบกไปก็คงแสดงว่าคงจะอดทนอนะ่ะหรือไม่รู้ว่าส่งปลาตีนไปหรือเปล่า อยู่บนบกก็ได้นอยู่ในน้ำก็ได้ไม่รู้นะในนี้เขาไม่บอกว่าว่าว่าส่งปลาอะไรไปแต่เขาบอกเนี่ยแหละว่าจะส่งปลาตัวที่สามารถทั้งทางน้ำและทางบกไปจึงได้ให้ปลาทั้งใหญ่ทั้งดำตัวหนึ่งไปด้วยคำว่าท่านจงเอาปลาตัวนี้ไปตกลงกันนะเพราะฉะนั้นจะปลาตัวนี้ก็เป็นผู้กาอาหารที่จะให้นกกยางนี่คาบเอาไป นกกระยางยิงฆ่า ต, าตัวนั้นปลาตัวนั้นนําไปปล่อยในสระใหญ่พาชมสระพาชมสระใหญ่นั้นทั้งหมดแล้วก็นํากลับมาปล่อยในสระน้อยของปลาเหล่านั้นตามเดิมอ้าวปรากฏว่าใจดีจริงฮ่ก็พาไปทัศนาจรชมสระนั้นเรียบร้อยเลยแล้วก็พากลับมา ปล า, าใหญ่ตัวนั้นจึงพรรณนาความงดงามสมบูรณ์ของสระใหญ่ให้ฟังปลาเหล่านั้นได้ฟังถ้อยคําของปลาตัวนั้นแล้วก็สนใจอยากจะไปจึงพากันกล่าวว่าดีละเจ้านายท่านจงฆ่าพวกเราไปนกยางจึงฆ่าปลาตัวทั้งดําทั้งใหญ่ตัวแรกนั้นนั่นแหละไปก่อนแล้วนําไปยังฝั่งของสระน้ําใหญ่เอาไปซ่อนที่ ที่ต้นกลุ่มซึ่งเกิดอยู่ริมสระน้ำแล้วสอดปลานั้นเข้าในระหว่างคาคบไม้จิกด้วยจะงอยปากนะให้ตายแล้วกินเนื้อทิ้งก้างให้ตกลงที่โคนต้นกลุ่มนั้นเองปรากฏว่าเรียบร้อยแผนนี้ครั้งแรกพาไปจริงอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรนะวางล่อวางรอบจัก ดักปลาใช่ไหมคือคือมีเหยือ่อเอาเหยื่อล่อก่อนเอาพาไปทัศนาจรเอากลับมาใหมาฝอยให้เพื่อนฝูงฟังว่ามีจริงโอ้โหสวยอย่างนั้นสวยอย่างนี้เสร็จคราวนี้ข้าไปทีที่สองนี่เรียบร้อยเลยนะเอาไปกินเลยนะเสร็จแล้วพอกินเสร็จใช่ไหมก็กลับก็กลับไปใหม่นะนกกระยางนะกินเสร็จแล้วก็กลับไปใหม่ไม่พูดว่า ปลาตัวนั้นเราปล่อยแล้วปลาตัวอื่นจงมาอ้าวแล้วก็คาบเอาทีละตัวโดยอุบายนั้นทุกวันจนกระทั่งกินปลาหมดเรียบร้อยปลาทั้งฝูงนี้เรียบร้อยไม่มีใครรู้เนี่ใช่ไหมเพราะจริงๆปลานีฉลาดแล้วแต่ยังฉลาดไม่พอ ฉลาดไม่พอกับนกกระยางนกกระยางนี่ฉลาดกว่าเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าจะวิธีมีวิธีไหนป้องกันได้มั่งอันเนี้ยที่จะรอบครอบกว่านี้อีกบาพวกปลานี้คิดจะมีวิธีไหนอีกฮะอะไรนะอาตมาเพิ่งนึกได้ตอนนี้นะว่าสงสัยต้องให้ฆ่าไปสองตัวอา่าต้องให้ฆ่าไปสองตัวแล้วทุกครั้งจะต้องเอากลับมาหนึ่งตัวนะถ้าอย่างนี้แล้วก็ พอเป็นไปได้อ่าไม่อย่างนั้นไม่มีวิธีอื่นนะเชื่อมจะรู้ได้ัไงว่านกกระยางไม่กินเพื่อนไปอ่ะอันจะมาเพิ่งนึกได้ตอนนี้นะไม่ไม่ได้นึกมาก่อนอ่าเสร็จแล้วคราวนี้พอกินไม่เหลือเลยนี่นะหมอดเรียบวดไม่เหลือแม้แต่ตัวเดียวในที่สุดในสระนี้มีปูเหลืออยู่ตัวเดียวเท่า น, นั้นโอ้ยปลาหมดเลยเหลือแต่ปูละ แล้วปูก็เหลืออยู่ปูตัวเดียวใช่ไเอาไงคราวนี้นกกรหยางไม่มีที่จะไ ม, ไม่ไม่ม่ีปลาจะให้กินแล้วนกกรยางจึงคิดจะกินปูแม่ตัวนั้นให้ได้ก็ไม่มีอย่างอื่นกินแล้วหละ ย, ยังไงเหลือปูก็จะกินปูล่ะโดยกล่าวว่าปูผู้เจริญเราได้นำปลาทั้งหมดนั้นไปปล่อยในสระใหญ่อันดารดาดด้วยดอกบัวแล้วมาเถิด แม้ท่านเราก็จะเราก็จะนำไปส่งให้ปูถามว่าท่านจะพาเราไปอย่างไรนกยางกล่าวว่าเราจะข้าบ พ, พาเอาไปปูกล่าวว่าท่านเมื่อเมื่อท่านพาเราไปแบบแบบนี้อาจจะทำให้เราตกตกลงมาได้เราจะไม่ไปกับท่านหรอกปูก็โอ้ย คาบเราไปแล้วบาดเสียวอปูไม่เหมือนปลาปูนี่มันมีกระดองแล้วมันลื่นกว่าใช่ไหมปูฮะก็นั่นกระยางไงหมายถึงกระยางเนี่ยคาปูไปเนี่ยมันลําบากกว่าใช่ไหมลําบากกว่าปลาเพราะมันมันลื่นไงเพราะฉะนั้นพอปูถามเสร็จกระยางตอบมาอย่างนี้ก็บอกโอ้ยวาดเสียวไม่เอาครไม่ไปนะกลัวจะหล่นลงมา นกยางรีบกล่าวว่าอย่า ก, กลัวเลยเราจะคาบท่านให้ดีแล้วจึงค่อยไปปูคิดว่าชื่อว่านกชื่อว่าการคาบเอาปลาไปปล่อยในสระย่อมไม่มีแก่นกย่างนี้ก็ถ้านกยางจะปล่อยเราลงในสระจริงข้อนี้ก็เป็นการดีแต่หากไม่ปล่อยเล่าเราคงต้องป้องกันตัวไว้ก่อนปูนี่ก็ฉลาดนะ จะทําไงคราหนี้มีปูอยู่ตัวเดียวไม่มีเพื่อนปูลหลายตัวนะถ้านตะกี้อย่างที่จะมาคิดจ อ, อให้คาบไปสองตัวยังพอพอว่ากันได้แต่คราวนี้นี่ไม่มีทางอื่นแล้วนี่นะปูมีอยู่ตัวเดียวปูจึงกล่าวกับนกกยางนั้นอย่างนี้ว่าดูก่อนนกยางผู้สหายท่านอาจจะคาบเอาเราไปได้ไม่ดีฉะนั้น เราขอหนีบคอท่านไว้ด้วยจึงจะเป็นการดีเราจึงจะมั่นใจว่าไม่ตกลงมาอย่างนี้เราจึงจะยอมไปกับท่านอฉลาดนะเอาก็มีเหตุผลด้วยใช่ไหมอ๋อก็หนีบเราไปเราก็ขอหนีบคอแกไว้มันจะได้หนักแน่นมั่นคงจะได้ไม่หล่นง่ายอนกอยางนั้นคิดแต่จะหลอกกินปูนั้นเท่านั้น จึงรับคำว่าตกลงปูจึงเอากล้ามทั้งสองของมันนะหนีบคอนกย่างนั้นไวแล้วกล่าวว่าท่านไปได้แล้วเดี๋ยวนี้นกกรยางนั้นนำปูนั้นไปให้เห็นสะใหญ่แล้วก็บ่ายหน้าไปทางต้นกบเอต้นกลุ่มอ่านะกะว่าเรียบร้อยแล้วจะซัดแน่ๆแล้วนะปูจึงกล่าวว่า สะนี้อยู่ข้างโน้นแต่ท่านจะนำเรามาข้างนี้ทำไมกันนกยางกล่าวว่าเจ้าคิดเอาแต่ได้ว่านกยางนี้เป็นทาตของเราพวกเราพาเราเที่ยวไปกัามังคืออันนี้เขาเขาพูดนะหมายถึงว่านกยางเป็นคนพูดพูดบอกว่าปูเนี่ยเห็นแต่เห็นเห็นแต่ได้อย่างเดียวใช่ไหมคิดว่าแหมนกยางเนี่ยเป็นทาตของเราพาเราเที่ยวไปกัามัง เจ้าจงดูก้างปลาที่โคนต้องกลุ่มนั่นสิแม้เจ้าเราก็จะกินเสียเหมือนกินปลาทั้งหมดนั่นแหละปูกล่าวว่าปลาเหล่านั้นท่านกินได้เพราะความที่เป็นปลางโง่แต่เราจะไม่ให้ท่านกินเราแน่แต่ท่านนั่นแหละจะถึงความพินาศเองเพราะท่านไม่รู้ว่าถูกเราหลอกแล้วด้วยความเป็นผู้งโงเ่เขลา เรานั้นจะหนีบคอของท่านให้ถึงแก่ความตายาคู่กับเหมือนกัน น, นะบอกเนี่ยที่เราหนีบคอมาเนี่ยนะฉันหลอกแกแกรู้หรือเปล่ า, าถ้าถ้าแกจะกินฉันให้ตายใช่ไหมเพราะนอกจากคาปูอยู่เหมือนกันใช่ไหมถ้าถ้าจะคาฉันให้ตายฉันก็จะหนีบแกให้ตายเหมือนกันกาวแล้วจึงเอาก้ามก้ามปานเป็นหนึ่งคีมหนีบคอ อ๋อกาวแล้วเนี่ยก็เอาก้ามปูเนี่ยที่ปานประหนึ่งกับคีมนะก็หนีบคอน ก, กยางนั้นอย่างแรงน ก, กยางนั้นอ้าปากค้าง <c oughs> ก็โดนหนีบเข้าไปก็อ้าปากแค่นั่นเองเมันเป็นสัญชาติญาณ น, น้ำตาไหลออกจากในตาทั้งสองข้างถูกมรณะภัยคุกคามกลัวตายเลยเจกันนี้นะน ก, กะยางก็กลัวตายสิเพราะว่าโดนหนีบเข้าไป เต็มที่จะหายใจไม่ออกเอาอะจึงส่งเสียงอ้อแอว่าข้าแต่นายเราจะไม่กินท่านท่านจงให้ชีวิตเราเถิดปูกล่าวว่าถ้าเมื่อเป็นอย่างนั้นท่านจงร่อนลงและปล่อยเราลงในสระแสดงว่ามีหวังรอดแล้วใช่ไห ม, ไมอ๋อยังไม่แน่อู้ได้ไงปูรอดแน่ นี่ถ้าถ้าปูหนีบจริงๆนะแล้วนกกยางก็ยอมตายด้วยนะก็หนีปูด้วยปูก็ตายเหมือนกันนะคือถ้าตายนี่ก็ตายจะกด้ทั้งคู่ใช่ไหมนกยางนั้นหวนกลับมาล่อนลงยังสระสระเล็กน่ะนะไอ้ไม่ใช่สระใหญ่นะนั่นแหละแล้ววางปูไว้บนหลังเปลือกตมณที่ริมสระปูช่วยโอกาสนั้นเอง หนีบคอนกอย่างนั้น จ, จนขาดจมลงไปในน้ำเหมือนตัดก้านบัวด้วยกันไก่ะนั้นโอ้ปรากฏว่าปูนี่ทรยศเหมือนกันนะใช่ไหมทรยศนะบอกเขาให้มาปล่อยลงเพื่อที่จะโอ้ยคงไม่ใจดีขนาดนั้นหรอกแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าตามที่ตกลงกันเนี่ยก็คือว่า ต้องปล่อยถ้าแม้ถ้าถ้าเป็นมีศีลด้วยกันนะ่ยนะก็เขามาปล่อยให้แล้วก็ต้องปล่อยเขานี่ปรากฏว่าเขาปล่อยน้าเขาอ้าปากปล่อยให้แต่ตัวเองก็หนีบเลยหนีบคอเจ้านกกระยางจนคอขาดเลยนะแสดงว่าหักหลังเทวดาผู้สิงอยู่ที่ต้นกลุ่มเห็นความอัศจรรย์นั้นทา ก็ทำป่าให้บรนลือลั่นด้วยเสียงดังกังวานว่าบุคคลผู้ใช้ปัญญาหลอกลวงผู้อื่นย่อมไม่ได้ความสุขเป็นนิดเพราะผู้ใช้ปัญญาหลอกลวงคนอื่นย่อมประสบผมแห่งบาปกรรมที่ตนทำไว้เหมือนนกย่าง ถ, ถูกปูหนีบคอจนตายฉะนั้นพระศาสดาแสดงชาดกจบแล้วตัดว่า นกยางในครั้งนั้นได้เป็นพระจีวรวัฏกะผู้อยู่ในพระเชตวันปูในครั้งนั้นได้เป็นพระจีวรวัฏกะชาวชนบทส่วนลุกเทวดาในครั้งนั้นได้เป็นเรลาตถาคตชาดกเรื่องนี้ก็จบลงตรงโจรหลอกโจรโจรหลอกโจรจำสำนวนได้ อันหนึ่งไหมที่ชอบพูดชอบพูดกันอยู่เหมือนกันอาตมาก็เคยเอามาอ่านให้พวกเราฟังว่าบุคคลผู้ไม่มีความละอายในการกล่าวคำโกหกทั้งๆ ท, ที่รู้อยู่ที่จะไม่ทําบาปกรรมแม้น้อยหนึ่งเป็นไม่มีเพราะเหตุนั้นแหละพึงศึกษาว่าเราจะไม่กล่าวโกหกแม้เพราะเพียงเพื่อ หัวเลาะกันเล่นเท่านั้นนี่เป็นคำาก่าวของเป็นคำตรัสของพระพุทธเจ้าซึ่งท่านเน้นมาแล้วว่าโอ้ยพูดง่ายเราเคยใช้สำนวนเป็นเชิงว่าคนที่โกหกได้เนี่ยนะ ท, ทั้งทั้งที่รู้อยู่เนี่ยเรื่องที่จะไม่ทำบาปอื่นเนี่ยมันไม่มีแน่นอนว่าการทำบาปอื่นแน่เพราะฉะนั้นอันนี้จะต้องระวังให้ดี ขนเราเองเนี่ยเราต้องหัดมีสัญชาติคนตรงอย่าไปหัดโกหกอย่าไปหัดหลอกลวงพระเจ้าท่านย้าขนาดว่าอย่าหัดโกหกแม้พูดเล่นเล่นพูดเล่นเล่นอ่าอย่าหัดโกหกแม่ว่าโอ้ยแซวกันเล่นนะแต่จริงๆคือเราพูดโกหกอ่ะแต่ว่าเราบอกว่าโอ้แซวกันเล่นแซวกันเล่นไม่พระเจ้าไม่ไม่ยกย่องเลยไม่แนะนำเพราะจริงๆแล้วแม้แซวกันเล่นเ่นแม้พูดกันเล่นๆ่น สร้างบรรยากาศสร้างบรรยากาศให้มันสนุกให้มันคึกคืนหรือว่าให้อะไรก็แล้วแต่นะแม้อย่างนั้นผู้เจ้าถือว่านี่แหละเป็นการสั่งสมนิสัยนะเป็นดินพอกหางหมูได้คือมันจะค่อยๆทำให้คนนั้นกล้าโกหกได้มากขึ้นแลวจะเป็นผลลายต่อคนนั้นเองแล้วเรื่องเล็กเนี่ยทำได้มันสะสมไปอีกหน่อยก็เป็นเรื่องใหญ่ก็ทาได้วันทันถึงตัดใบ เพียงแค่พูดเล่นเนี่ยแล้วก็มากล่าวโกหกกันก็อย่าทำนะจำอันนี้ไว้ให้ดีมาเคยเอามาใช้ในชาดกเรื่องอื่นแล้วแหละนะแต่ยังคงคิดว่าต้องเอามาพูดเรื่องนี้นะเพราะันการพูดสนุกการพูดคลายบรรยากาศให้สุขนานพูดได้ทำได้แต่ให้เราเนี่ยใช้ศิลปะใช้วิธีการที่พูดเป็นคำจริงด้วย แล้วก็บันเทิงในธรรมกันได้ไม่จำเป็นต้องโกหกก็ได้นะบางทีพระผู้ใหญ่พ่อท่านหรือว่าอะไรเนี่ยท่านเทศท่านอะไรเราฟังแล้วก็สนุกสนานไม่เห็นจำเป็นต้องไปพูดโกหกอะไรเลยก็พูดคำจริงนี่แหละแต่ว่ามันบันเทิงได้เราฝึกอย่างนี้ฝึกอย่างนี้แล้วมันถึงจะถูกทางแล้วมันถึงจะตรงทางวันถ้าเรารู้ตัวว่าเราเกิดโกหกเมื่อไหร่อะไรเนี่ยรีบเลยต้องรีบแก้ไขทันที นะอาจจะขอโทษอาจจะต้องรีบบอกว่าโอ๊ยเหล็กี้นี่เราพูดโกหกไปนะพูดโกหกเล่นๆนะเล็กี้เนี่ยต้องรีบพูดเลยแล้วก็จําไว้ว่าอย่าไปใช้ไม้นี้อีกใช้มีไม้นี้อีกแลมันติดนิสัยแล้วมันจะติดไปเรื่อยแหละที่จริงอย่างอื่นนี่ก็มีอีกนะแต่สมาคิดว่าเรื่องของคำโกหกเนี่ยเอาแค่นี้แต่อยากจะเน้นตรงที่เรียกว่า พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเคยบอกว่าท่านเองเนี่ยทาอะไรเนี่ยนาท่านก็จะพูดอย่างนั้นพูดอะไรยังไงท่านก็จะทําอย่างนั้น่ะฟังคานวณตถาคตพูดบอกแสดงซึ่งคำพูดอันใดคำพูดนั้นทั้งหมดย่อมเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นพูดอย่างใดทําอย่างนั้นทาอย่างใด พูดอย่างนั้นนะผู้หญิงท่านตรัสยืนยันว่าท่านจะพูดยังไงท่านต้องทําอย่างนั้นพูดง่ายว่าต้องตรงต้องจริงต้องถูกแม้ว่าบางทีบางอย่างเนี่ยเราพูดไปเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้ทาแต่พูดแล้วเราต้องทําอย่างนั้นนะต้องทําให้ได้อย่างนั้นด้วยอันนี้มันพลาดกันบ่อยไม่แต่อาตมาเองเนี่ยบางทีรับปากเหมือนกันรับปากคนโน้นรับปากคนนี้อย่างยี่อะไรเงี้ย บางทีลืมมั่งไอ้ลืมนี่ก็ไม่ได้แกงแนะมันมันสัญญามันเลอะเรือนกันได้แต่นึกได้เมื่อไหร่อะไรเมื่อไหร่นี่ต้องรีบเลยต้องรีบทําให้ได้อย่างนั้นเพราะถ้าเราไม่ทําให้ได้อย่างนั้นถือว่าเราผิดสัญญาหรือถือว่าเราโกหกคนอื่นก็ได้นะเพราะฉะนั้นไปรับปากหรือว่าไปอะไรไว้เนี่ยถ้าเรากลัวว่าเราจะผิดสินข้อนี้อย่าไปรับปากใครใง่ายๆนะอย่าเป็นประเภท ครับครับครับเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะทาให้ครับอะไรเงี้ยนะอะไรเงี้ยไม่เอานะอะไรที่เรายังรู้สึกว่าเอไม่แน่ใจนะอันนี้อาจจะทำได้อาจจะทำไม่ได้ก็พูดให้มันชัดเจนให้เขารู้ว่าเอออาจจะทำได้นะอาจจะทำไม่ได้นะหรืออาจจะไปนะอาจจะไม่ไปนะพูดให้ชัดเจนไม่ใช่บอกว่าไปแน่ๆนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปแต่ปรากฏว่าไม่ไปไม่ไปเสร็จแล้วก็ยังไงก็ไม่พยายาม สื่อสารไม่พยายามจะบอกให้เขารู้ด้วยว่าเราไม่ไปนะทนั้งที่เราเรารู้แล้วนะว่าเออวันนี้เราไม่ไปแต่แล้วเราก็จำได้ด้วยว่าเราบอกเขาไว้ว่าเราจะไปอย่างน้อยๆเนี่ยก็ต้องแก้คืนอย่างเช่นเอาโทรศัพท์ไปบอกเงี้ยใช่ถ้าเขามีโทรศัพท์นะโทรศัพท์ไปบอกหรือว่ามีคนอื่นที่จะไปที่นั่นเราก็ฝากให้คนอื่นไปบอกด้วยว่าเออเราไม่ไปแล้วนะเพราะเหตุผลนั้นเหตุผลนี้อะไรก็แล้วแต่ฝากไป แก้คืนด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ทำให้คนเราเนี่ยบางทีเขาศรัทธาหรือว่าเขาไม่ศรัทธาด้วยเพราะว่าการที่เราเนี่ยพูดอะไรแล้วไม่ทำอย่างนั้นก็เท่ากับเขาถือว่าเราโกหกได้นะแล้วจริงๆก็เป็นโกหกจริงๆด้วยแม้ว่าเราจะเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามแต่ก็การที่เราพูดแล้วเราไม่ทาอย่างนั้นเนี่ยก็ถือว่าโกหก เพราะเราระวังให้ดีแม้บางทีเรื่องเล็กเรื่องน้อยบางทีเราคิดว่าเอยเนี่ยเราบอกอ่าบอกใครดเีเอาคนที่ไม่ค่อยสำคัญเราบอกหลานๆเอาไว้อ่าไม่สำคัญบางทีเราถือว่าเด็กกว่าเราไม่ไม่ค่อยสำคัญบอกหลานๆไม่ว่าเออเดี๋ยวจะเย็นนี้จะซื้อขนมไปให้กินอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเอไม่เป็นไรหรอกเด็กนะไม่ซื้อให้มันก็ไม่เป็นไรหรอก อะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่ซื้อให้อ่าแต่คนที่จริงเขาก็เด็กกันนะแต่เขาก็มีหัวใจนะแล้วเขาก็จําแม่นเลยนะบอกว่าจะซื้อให้เขาแล้วไม่ซื้อให้เขาเนี่ยเขาจําแม่นนะเพราะฉะนั้นพอเราเนี่ยไม่ซื้อไปให้เขาเขาอาจจะเสียใจเขาอาจจะผิดหวังแล้วเขาอาจจะโกรธ ด, ด้วยหรือเขาไม่ไม่ผิดหวังไม่เสียใจอะแต่เขาอาจจะไม่เชื่อเราอีกต่อไปก็ได้ว่าโอ้โหไม่มีสาจาัจจะเลย นะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คนนี้นี่ทำไมบอกแล้วไม่เห็นจะทำเลย